ให้คุณวิสิตเขียนหนังสือหรือคุณวิสิตลืมพิมพ์ออกมาทุกวันเลยคือปัจจุบันคำว่าปัจจุบันมีหลายตัวปัจจุบันขณะอันหนึ่งปัจจุบันสันตติอันหนึ่งในตัวนามธรรมอย่างตัวจิตเนี่ยเกิดดับทีลขณะทีละขณะ เวลามันเกิดมารู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอกุศลอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันรู้ตัวเองไม่ได้โดยทำมนิยามแล้วจิตมันรู้อารมณ์ได้อันเดียวงั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจเนี่ยคำว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัจจุบันสันติคือมันเนื่องกับปัจจุบันมันไม่ลงเป็นปัจจุบันขณะอย่างดูรูปเนี่ยดูลงเป็นปัจจุบันทีละขณะทีละขณะได้รูปมันายุยืน รูปมันไม่รู้วรมมันไม่ต้องไปทำหน้าที่รู้วรมอื่นเพราะั้นการดูกายการดูจิตเนี่ยในขั้นของการเจริญปัญญาแล้วดูต่างกันดูกายเราจะรู้ลงปัจจุบันรู้รูปรูปแท้ๆด้วยไม่ใช่รูปเทียมรูปอะไรก็เรียกอะไรอันนี้ผันนารูปรู้รูปจริงๆ ร, รูปไม่จริง อาศัยรูปจริงๆเกิดขึ้นนี่อย่างหลายคนภาวนาอย่างเดินจงกรมเี่ยไปรู้อาการความจริงต้องรู้รูปที่อยู่ในอาการนั้นไม่ใช่รู้ตัวอาการรู้รูปที่อยู่ในอาการยืนรู้รูปที่อยู่ในอาการเดินนั่งนอนรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยกาย อย่างเราเราเดินเียหรือเรานั่งเนี่ยเรารู้สึกถึงความเป็นก้อนาธาตุของมันรู้สึกถึงความเป็นก้อนาธาตุของเข า, าธาตุนี้เคลื่อนไหวไปาธาตุนี้ยืนาธาตุนี้เดินาธาตุนี้นั่งนอนยืนเดนนั่งนอนไม่มีจริงหรอกเป็นสมมุติเรียกขึ้นมาในอาการต่างๆไม่ใช่รูปแท้นราจะรู้สึกบังคับได้บังคับให้เดินได้บังคับให้ยืนได้ ในตัวรูปแท้คือตัววัตถุตัวก้อนธาตุเนี่ยทันทีที่จิตตั้งมั่นมีสัมมาส ม, มาธิมันจะเห็นทันทีเลยว่าไอ้ก้อนธาตุนี้เป็นสักแต่ว่าก้อนธาตุไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเลยร่างกายนี้กับวัตถุสิ่งของภายนอกหรือร่างกายคนอื่นหรือร่างกายของสัตว์อื่นเนี่ยเสมอภาบกันหมดเลย มันจะไม่มีเรามีเขาไม่มีคนมีสัตว์ส่วนการดูจิตต้องตามดูไปดูจิตแล้วเห็นอะไรชัดเห็นอนิจจังชัดจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลยดูร่างกายให้เห็นอนิจจังดูยากนะเพราะรูปมันอายุยืนแต่ดูนามให้เห็นอนิจจังนี่ดูง่ายเพราะเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วตลอดเวลา นี่ดูนามจะเห็นอีกตัวหนึ่งได้ชัดคืออนัตตาเราจะเห็นในนามธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมามีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างความโกรธปรากฏขึ้นในั่นความโกรธไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นนามธรรมที่แปลกปลอมขึ้นมาหรือเราดูเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงๆเราจะเห็นเลยจิตนี้เกิดดับ จิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจจิตไม่ได้มียนเดียววิ่งไปวิ่งมาอย่างที่คนทั่วๆไปรู้สึกคนทั่วไปไม่รู้สึกนะว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาคนทั่วไปหมายถึงคนที่ยังไม่เข้าถึงธรรมจริงๆ จ, จะไม่เห็นเว้น แ, แต่เจริญวิปัสสนาไปจนชำนิชำนาญมากๆเราจะเห็นนจิตเกิดดับอยู่ทางถาวรต่างๆจิตไม่ได้มีดวงเดียว เที่ยววิ่งไปทางตะวันทั้งหกจิตจะไปที่เกิดที่ตา mm. เกิดที่หูชมูวมกที่ลิ้นที่กายเราเลือกไม่ได้มีจิตตัวหนึ่งเลือกให้จิตที่เกิดที่ใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็ น, ก, ปนกุศลอกุศลเราก็เลือกไม่ได้มีจิตอีกตัวหนึ่งเลือกให้นี่จะเห็นอย่าสิ่งเหล่านี้ร่างกายนี้เราจะเห็นอีกตัวหนึ่งได้ชัดคือเห็น<ส movie>เห็นทุกข์ได้ชัดก็เห็นอนัตตาได้ชัด ในจิตเนี่ยจะเห็นอันนิจจังการนัตตาได้ชัดงั้นคอยรู้สึกเรื่อยๆไปมันจะค่อยละความเห็นผิดทุกคราวที่เกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมามันจะเห็นในฉับพลันนั้นเลยว่าทั้งกายทั้งใจนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรทั้งสิน้นเห็นทันทีเลยเพราะงั้นเมื่อเกิดสัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมา ก็ล้าความเห็นผิดเป็นขนาดขนาดไปพอขาดสติขาดสติก็สะสมความเห็นผิดใหม่ก็รู้สึกมีเรามีเขามีคนมีสัตว์ขึ้นมาอีกดนั้นเราภาวนานะต้องพยายามให้สติเกิดเนืองเนืองหัดรู้สภาวะให้บ่อยๆทุกวันต้องซ้อมรู้สภาวะไววพระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเคยทำกรรมฐานอะไรทำไปแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบนิ่งเหมือนแต่ก่อน ทําเพื่อหัดรู้สภาวะถ้าจิตจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองถ้าสติเกิดเพราะว่าจําสภาวะได้เนี่ยสำ ม, มาสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้สภาวะจะเกิดขึ้นเองอีกเมื่อจิตตั้งมั่นปัญญามันจะเกิดจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเฉะั้นตัวสำ ม, มาสมาธิเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าใจไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นก็ไม่เกิดปัญญาใจจะถลําลงไป เรามีเราขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมาจริงๆกรรมฐานฟังแล้วเหมือนยากนะพวกเราเคยทำกรรมฐานอะไรทำอันนั้นไปก่อนไม่ยากทำแล้วหัดรู้สภาวะคนไหนเคยฝึกดูท้องพองยุบดูแล้วสบายนะถ้าดูแล้วเครียดก็แสดงว่าไม่ถูกจริตให้ไปเปลี่ยนกรรมฐานซะคนไหนเคยดูท้องพองยุบแล้วสบายก็รู้ท้องพองยุบไป เวลารู้ท้องพองยุบเนี่ยจิตพลิกแปลงได้หลายแบบแรกรู้ท้องพองยุบไปแล้วจิตเผลอไปเลยลืมตัวเองอ น, นี่ขาดสติไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทั้งสามาธไมิได้ทั้งปัญญาไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนาถ้าดูท้องพองยุบแล้วใจไหลลงไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องไปเพ่งตัวอารมณ์คือท้องอันนี้เป็นสมถะส่วนใหญ่ที่พวกเราดูท้องพองยุบนะมาหยุดอยู่ขั้นนิ่ง ในขั้นของสมถะนั้นเพ่งมากๆใจจะเบาๆนะตัวลอยตัวเบาตัวโครงรู้สึกบูบบุบบ้าบๆาขนลุกขนชันเนี่ยขนน้าตาไหลอะไนี่เป็นอาการของปีติของสมถะทั้งหมดเลยงั้นเวลาเราภาวนาดูท้องพองยุบเพื่ออย่าให้ใจมันไหลลงไปหยุดในท้องให้ใจมันแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นใจอยู่ต่างหากเหมือนคนดูละคร ดูละครอยู่นอกเวทีเหมือนคนดูมวยนะก็อยู่นอกเวทีเหมือนดูฟุตบอลนะเรานั่งบนอัธจันต์นั่งดูมันคล้ายคนดูฟุตบอลมากกว่าอย่างอื่นรู้สึกไหมมันเหมือนดูจากที่สูงมันเหมือนดูจากที่สูงเวลาเราภาวนาจริงๆจะเห็นกายเห็นใจทํางานไปเหมือนเรานั่งอยู่บนที่สูงแล้วค่อยดูมันนะงั้นเราภาวนาแบบคนดูบอลนะค่อยรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรนะ ถ้าใจถลำลงไปเพ่งท้องก็เป็นสมถะถ้าใจแยกออกมาอยู่ต่างหากเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายนิพองร่างกายนิยุบเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวไปเห็นรูปนี้ไม่คงที่เห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะนี่มันเป็นการเดินปัญญาด้วยการรู้กายนี่บางคนไม่ถนัดที่จะรู้รูปก็รู้นามมาทำดูท้องพองยุบไปแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นจิตหนีไปคิดแล้วลืมท้องไปแล้ว ก็รู้ว่าจิตหนีไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องละจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์จิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูท้องพองยุบเล่นๆไปแล้วจิตทํางานเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวยังไงก็ค่อยตามรู้เอาอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งถ้าไปบังคับให้นิ่งเดี๋ยวมันไม่โชว์สแสดงไตรลักษณ์ให้ดูไม่มีปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมตานั่นแหละ เราก็ดูท้องพองยุบเป็นแบกกลาไว้เฉยๆเนระเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่อยู่เล่นๆนะพอใจหนีไปแล้วคอยรู้ใจเข้าไปเพ่งท้องคอยรู้ใจไปทำอะไรคอยรู้เรื่อยๆไปนะอันนี้สำหรับคนที่ฝึกพองยุบมานะคนไหนเคยหัดพุทโธก็ทำได้นะพุทโธไม่ใช่วิปัสนาหรอกเพ่งท้องพองยุบก็ไม่ใช่วิปัสนานะเพ่งลมหายใจก็ไม่ใช่วิปัสนานะเพ่งอะไรก็ไม่ใช่นะนะ ถ้ารู้ก็ใช่อย่างคนไหนฝึกพุทโธก็พุทโธไปพุทโธแล้วก็ดูใจตัวเองพุทโธคือความคิดธรรมชาติของจิตมันคิดทั้งวันทั้งคืนถ้ามันไม่คิดพุทโธมันก็ไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันเปลี่ยนเรื่องคิดไปเรื่อยๆเราดูมันยากเพราะนั้น้ามันคิดพุทโธไปก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่คิดไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตนิ่งแต่พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิต พุทโธแล้วจิตแอบออแไปคิดเรื่องอื่นรู้ลืมพุทโธแล้วไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้เลยอ้อพุทโธหายไปแล้วหลงไปลวะวเรู้ทันจิตที่หลงพุทโธพุทโธไปจิตซึมซึมไรู้ว่าซึมพุทโธแล้วนิ่งนิ่งรู้ว่านิ่งพุทโธแล้วฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านพุทโธแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติพุทโธแล้วมีความสขุขรู้ว่ามีความสุขหาพุทโธเราก็รู้ทันใจไปเรื่อยคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็ใช้หลักเดียวกัน รู้ลมหายใจไปถ้าใจลอยไปลืมการรู้ลมหายใจนะขาดสติลืมกายลืมใจอันนี้ไม่ได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาถ้าเรารู้ลมหายใจอยู่แล้วใจเราไหลลงไปอยู่ที่ลมนะเกือบทั้งหมดเลยนะเกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้ อ, รอนี่พูดแบบสุภาพนะแล้วพูดซื่อๆเรื่องไม่ค่อยเห็นเลยว่าคนไหนหายใจแล้วรู้สึกตัวส่วนมากหายใจแล้วจิตชอบไหลไปไหลไปอยู่กับลม ฝึกกันนานต้องฝึกได้ถูกหลักจิตถึงจะตั้งมั่นรู้รูปที่หายใจไปถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมก็เป็นสมถะพอเราอยู่กับลมไปนานๆจิตใจมีความสุขนะสงบลงมามันจะเกิดนิมิตลมขึ้นมาจะเห็นได้ลมหายใจที่เข้าออกนะเป็นเกลียวเลยเป็นแสงสว่างขึ้นมาหายใจแล้วเราก็รู้แสงสว่างนี้ไปมันจะรวมเป็นดวงเดียวขึ้นมาเป็นดวงกลมๆ อยู่ที่จมูกก็ได้อยู่ที่อกก็ได้นะแล้วแต่เรื่องของสมถะถัดจากนั้นเราก็ใช้ดวงนิมิตเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมาฐานแทนลมหายใจนะจิตจิตถึงจะเข้าอัปปนานะลมหายใจหยาบเกินไปเป็นของหยาบเราก็ใช้นิมิตลมแทนแทนตัวลมอัปปนาอันอนี้ไม่ต้องเรียนเยอะในเรื่องของสมถะนะ อยากรู้อยากเห็นอะไรภายนอกนะก็ใช้แสงอันนี้แหละส่งไปดูไปดูคนอื่นหรือจะเป็นนรกไปสวรรค์อะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรคนิพพานเลยนี่ถ้าเรารู้ลมหายใจไปเราเห็นร่างกายนี้มันหายใจไปเห็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรารู้สึกถึงความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรารู้สึกกายด้วยอะไรเรารู้สึกกายด้วยกายเรารู้สึก ถึงความกระเพื่อมไหวของมันนะมันมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกมันไม่ใช่เราเลยถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นก็เห็นเลยไอตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราละนี่เป็นการฝึกมีปัสนาโดยการรู้รูปนะเบื้องต้นถ้ารู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่ลมก็รู้จิตมีปีติก็รู้จิตสุกก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดถูกก็รู้นะ จิตเป็นไงคอยรู้ไปเรื่อยรู้ลมไปแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อย ร, รู้ลมเบาเบารู้เล่นเล่นไม่บังคับให้จิตไปแนบกับลมอันนี้เราจะฝึกรู้สภาวะของจิตใจได้ใครเคยฝึก อ, อย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยับไม้ขยับมือไปขยับมือแล้วใจลอยก็ขาดสติไปไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาขยับมือแล้วจิตไหลไปเพ่ ง, น, งนิ่งในมือส่วนใหญ่รุ่นหลังทาได้แค่นี้เอง เพ่งใส่มือได้สมถะนะขยับมือไปเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอยู่นะรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใจเป็นคนเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปนะแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงตัวรูปนั้นนะว่ารูปวัตถุ ก, ก้อนธาตุนี้นะที่กระเพื่อมไหวอยู่นี่ไม่ใช่เรานะกระเพื่อมไหวไม่ใช่เรา อันนี้เป็นการเจริญปัญญาด้วยการรู้รูปหรือนะขยับมือไปใจหนีไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งมือรู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันอันนี้เจริญปัญญาด้วยการรู้จิตเนะี่ยทุกวันเราควรจะหัดนะอย่างน้อย10นาทีไม่ต้องเยอะนะหันมากเดี๋ยวเครียดไม่เรียกร้องน้อยมากนะตำนักหลวงพ่อเรียกน้อย10นาทีนะให้กับตัวเองนะไม่ได้มาให้หลวงพ่อ มีเวลาสัก10นาทีทุกวันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทํากรรมฐานอันแดหนึ่งที่เราเคยทํานี่แหละนะทำกรรมฐานอันแดนหนึ่งเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบก็ดูเคยขยับมือทําจังหวะก็ทํารู้อิริยาบท4ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปให้ใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะเหมือนดูฟุตบอลอยู่เงนะี้ยแหละทำใจสบายๆ ส, สภาวะใดปรากฏก็ค่อยรู้เอา ในขั้นของการตามรู้กายตามรู้ใจเพื่อให้เกิดสติเนี่ยไม่ว่าจะรู้กายหรือจะรู้ใจเหมือนกันคือการตามรู้เหมือนกันทั้งสิ้นต่างกับขั้นให้เกิดปัญญานะขั้นให้เกิดปัญญารู้กายลงปัจจุบันรู้จิตให้ตามรู้ลงไปติดๆเข้าไปแต่ขั้นให้เกิดสติเนี่ยตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมนขั้นให้เกิดสติตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรม งันบาลีท่านถึงใช้คําว่ากายานุปัสนาเห็นไหมการตามเห็นกายเนืองเนืองตามเห็นมีคําว่าอนุอยู่ด้วยตามเห็นกายเนืองเนืองตามเห็นเวทนาเนืองเนืองตามเห็นจิตเนืองเนืองหมายความว่ากายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆนะไปยังไงคอยรู้สึกอย่ายให้มันหายไปนะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจไปเรื่อยๆ ถ้าไปจิตมันจะจำสภาวะได้จำสภาวะของรูปได้จำสภาวะของนามธรรมาได้พอสภาวะที่จิตจำได้แล้วเกิดขึ้นมานะโดยไม่ได้เจตนาเลยเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองสติที่เกิดโดยไม่เจตนาเนี่ยจิตดวงนี้เป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องชักชวนให้เกิดเกิดเองนะอภิธรรมเขาเรียกว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุตนะ อาสังขาริกังอสังขาริกังฟังแปลว่าไม่ต้องชวนให้เกิดไม่ว่ า, ากุศลหรืออกุศลเนี่ยถ้าเกิดได้เองนะมีกําลังแรงถ้าต้องชวนให้เกิดนะมีกําลังอ่อนอย่างเราไม่ได้อยากปล้นใครเลยเพื่อนชวนทุกวนันทุกวันนะเราจะไปยอมไปปล้นเนี่ยอกุศลตัวนี้กําลังอ่อนถ้าสันดานไม่ดีอยากฆ่าคนเล่นเนี่ยอยากเองอันนี้อกุศลรุนแรงกุศลก็เหมือนกัน ถ้าต้องโน้มนำชักจูงให้เกิดนะมีกําลังอ่อนอย่างพยายามพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธนะสติจะได้เกิดหนะ้าอะไรเงี้ยนะพยายามเกลี้ยกล่อมให้สติเกิดนะเกิดได้เหมือนกันนิดนิดหน่อยหน่ยนะไม่มีกําลังพอที่จะทํำพิปัสนาจริงออกเพราะ้เราต้องฝึกหัดรู้สภาวะมากๆจนจิตจําสภาวะได้มากจําสภาวะได้แม่น สภาวะอะไรเกิดขึ้นสติก็เกิดทุกทีเลยสติจะเกิดทียิบเลยโดยที่เราไม่ได้เชื้อเชิญจิตจะมีกําลังของกุศลแก่กล้านะเกิดเองงั้นคนที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งนะจะมารายงานหมูนี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดเองรู้สึกตัวเองยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกกิเลสเกิดขึ้นก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกเลยไอ้ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกรู้สึกเลยนะรู้สึกได้จริงๆไม่ต้องคิดเอา ไม่ต้องโน้มนำให้เชื่อเห็นจริงๆมันรู้สึกจริงๆทางจิตใจก็เหมือนกันมันเห็นเลยมันทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะถ้าใจสักว่ารู้สักว่าเห็นใจตั้งมั่นเป็นกลางจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อเห็นจุดกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเรานะใจมันจะไม่ค่อยดิ้นะ่ะที่ผ่านมาเรารู้สึกกายกับใจเป็นตัวเราก็เลยดิ้นรนมาก ดิ้อยากให้มันมีความสุขดิ้นอยากให้มันพ้นทุกยิ่งดิ้นยิ่งทุกนะยิ่งดิ้นยิ่งทุกยิ่งทุกก็ยิ่งดิ้นใหญ่ไม่อยากจะให้พ้นทุกแต่ถ้าเรามาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจเนืองๆจนปัญญามันเกิดแล้วนะว่ากายกับใจไม่ใช่เราเนี่ยแต่ปัญญาเกิดตรงนี้นะต้องเป็นพระโสดาบันไปแล้วนะเราก็มารู้กายมารู้ใจเรื่อยๆไปเนี่ยถึงปัญญามันแจ้งขึ้นมาจริงจะเห็นในกายนี้ทุกล้วน กายนี้ทุกร่วนล้วนหมดความยึดถือกายพอหมดความยึดถือกายนี่ทำไมเราต้องยึดถือกายเพราะว่าเรายังรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันยังมีทางเลือกเราก็จะดิ้นรนหาความสุขมาให้กายดิ้นรนพากายให้หนีความทุกข์จะดิ้นดินีน่ยิ่งดิ้นยิ่งปรุงแต่งนะสร้างพบสร้างชาติขึ้นในจิตคําว่าพบคือกรรมมาพบคือการทํางานของจิตนั่นเองทำทีไรก็ความทุกข์ก็เกิดนะ พอปัญญามันแจ้งนะกายนี้ทุกขล้วนๆนะไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างความปรารถนาจะให้กายมีความสุขก็หมดสิ้นไปเลยความเพลิดเพลินยินดีในกายก็หมดไปเมื่อไม่ยินดีในกายจะไม่ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกายทั้งสิ้นเลยเมื่อไม่ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายนะมันก็ไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายด้วยเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเกิดขึ้นยจิตจะปราศจากกามและปฏิฆะอัตโนมัตินะ ไม่มีราคาก่ไม่มีโทสะแทรกเข้ามาอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระนาคามีทัดจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาหาจิตดวงเดียวนี้แหละจิตนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากที่สุดว่าไม่ใช่เราจิตนี้เป็นสิ่งที่ละได้ยากที่สุดละความถือมั่นได้ยากที่สุดเพราะหวงแหนที่สุดฉะนั้นจิตเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จิตแจม่มแจ้งนะการปฏิบัติก็จะสัดสั้นหน่อย อย่างเราจะเห็นว่าจิตเป็นตัวเราเหนียวแน่นยิ่งไปเห็นว่าสิ่งอื่นเป็นตัวเราอย่างเวลาไม่ได้คิดนะั้นเราจะรู้สึกว่านี่ตัวเราแต่พอเรารู้สึกขึ้นมานะคิดขึ้นมาถามว่านี่อะไรนี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะนี่มือของเราแล้วเห็นไหมลดระดับจากตัวเราเป็นของเราละลดระดับลงนะงั้นร่างกายนะเห็นว่าไม่ใช่เราง่ายพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ย อย่างคนศาสนาอื่นนะูถุชนไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะถ้าใครเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะจะได้โสดาบัตนะและจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดสำคัญมั่นหมายเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเรานะในขันหเนี่ยส่วนการยึดถือนะมันมีสองขั้นนะการปฏิบัติอันนึงละความเห็นผิดเป็นพระโสดาบัตอันนึงละความยึดถือ ถ้เป็นพระอรหันต์รักความยึดถือจิตนี่ยากที่สุดพระนาคามีก็ยังยึดถือจิตอยู่สงวนรักษาจิตนั้นเรียนนะรัดสัน้นเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยทำทั้งหลายนีย้ใจถึงก่อนใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจเรียนเข้ามาให้ถึงใจจริงๆเห็นใจไม่ใช่เรานะเอาตัวรอดละปิดนาบายัยหมดความยึดถือใจก็คือไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วในโลกนี้ จิตจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเลยกว้างกวา ง, วางไรขอบไรเขตนะคุณวิสิตเนี่ยที่ส่งหนังสือมาให้หลวงพ่ออ่านที่ข้างท้ายพูดอยู่สับอยู่คำหนึ่งคือวีวมาริยาที่กัดเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่รู้จักคำนี้นะ แต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าภาวนาไปแล้วถึงจุดหนึ่งจิตมันเกิดกว้างขวางไม่มีขอบมีเขตไม่รู้จักคําว่าวิมาริยาธิการเลยไปยืมคําว่ามหคตะมาใช้แต่รู้ว่าไม่ใช่หรอกมหคตตเป็นชื่อของสมาธิจิตที่มันกว้างขวางด้วยกําลังของสมาธิมันมีจิตที่กว้างขวางด้วยการปล่อยวางอีกชนิดหนึ่งไม่รู้สัพท์นี้อาศัยนากรรมพิธมให้ตําราหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็มาพลิกดูอ๋อเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้นะ หลวงพ่อทึ่งอภิธรรมนะคนที่เล่าเรียนอภิธรรมส่วนมากไม่เข้าใจสภาวะหรอกแต่อุตสาห์ทรงจำเอาไว้อุตสาห์ท่องเอาไว้อุตสาห์เก็บตำร า, าไวนะ้น่านับถือนี่ยถ้าหัดมารู้สภาวะแล้วการภาวนาง่ายถ้ารู้หลักอยู่นะแต่ต้องตอนภาวนาเนี่ยต้องลืมตำราก่อนถ้าไม่ลืมตาราจะคิดนา โอ้ตัวนี้เหรอตัวนี้เรื่องว่าสันติรณะ น, ะนี่เดี๋ยวเอาเรื่องละนะเนี่ยสัตย์ถัดจากนี้จะเกิดโวตทัพนะะความจริงไม่เกิดอะไรเลยนอกจากความฟุง้งซ่านนะ <c oughs> มันนําไปก่อนมั น, นําไปก่อนงั้นการภาวนาจริงๆไม่ยากนะพวกเราอย่าลืมตัวเองอย่าลืมกายอย่าลืมใจคนที่ลืมกายลืมใจขาดสติพระพุทธเจ้าเรียกว่าประมาท อย่างคนตายแล้วเนี่ยไม่รู้สึกถึงกายไม่รู้สึกถึงใจตัวเองคนขาดสติก็ไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจตัวเองท่านถึงบอกประมาทแล้วเหมือนคนตายเป็นคนตายตรงไหนตรงที่มันไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองเพราะงั้นในโลกนี้เต็มไปด้วยคนตายที่เดินได้นะ <c oughs> ในศาลานี้เกือบครึ่งหนึ่งนะคือคนตายที่เดินได้ ้็ใจยังไม่มีสติขึ้นมาทุกวันต้องซ้อมอย่างที่หลวงพ่อบอกนะซ้อมไปสักเดือน2เดือนเหนือสติเกิดเร่งแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆวิธีฟังซีดีหลวงพ่อไม่ใช่ฟังแล้วก็จดจําฟังเล่นเล่นเข้าใจคําว่าฟังเล่นเล่นไหมฟังเล่นเล่นไปธรรมะอันใดมันพอเหมาะพอควรกับเรามันจะกระทบใจเราเอง มันจะสนใจขึ้นมาในจุดนั้นขึ้นมาแวบขึ้นมานมันจะพอดีพอดีกับจิตใจของเราถ้าฟังเอาเนื้อหาฟังไปแล้วก็มีสมุดเล่มหนึ่งจดไปด้วยแบบจดเลคเชอร์นะฟังจนจบแล้วได้อะไรได้สมุดมาเล่มหนึ่งนะดันั้นฟังอย่างสบายฟังด้วยใจที่เปิดกว้างฟังโดยไม่มีความกังวลว่าจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะนี่เคล็ดลับการฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วจริงๆมันก็คือเคล็ดลับการฟัง ธรรมะที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเทศน์นั่นแหละงั้นเวลาครูบาอาจารย์วัดป่าเทศสังเกตมั้มท่านให้ลูกศิษย์ภาวนาไปไม่ใช่ให้มาตั้งใจฟังลูกเดียวนะไมได้ให้มาโน้ตไว้นะวงที่ชอบโน้ตโน้ตนะ่ยสังเกตเถอะส่วนใหญ่พระโพธิสัตว์เอาไว้เผื่อแผ่คนอื่นทีหลังพวกเราก็ได้บุญได้อาศัยบุญของท่านนะถึงได้ตาหลับตํารามาเยอะเลย เวลาท่านเทศเราก็นั่งฟังไปด้วยใจที่เปิดกว้างถ้าใจไม่เปิดกว้างเราจะรับธรรมมาไม่ได้ใจชนิดไหนที่ไม่เปิดกว้างพวกชาล้นถ้วยอ่ะพวกชาล้นถ้วยมีมามากแล้วฟังอะไรใหม่ไม่ได้รับอะไรใหม่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจากสิ่งใหม่ๆถ้าเปิดใจให้กว้างไม่ต้องสนใจความรู้เก่าๆไม่ต้องมาฟังหลวงพ่อให้เข้าใจไม่ต้องศึกษาเปรียบเทียบนั่งฟังเล่นๆไป ฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจของเราไปเป็นระยะระยะนะฟังไปเรื่อยๆไม่นานสติจะเกิดทาไมสติเกิดได้เพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่เป็นเรื่องของสภาวะล้วนๆเลยนานๆเล่านิทานบ้างนิดหน่อยเวลาซึมๆวันนี้ไม่ซึมเห็นไหมไม่เล่าวันนี้พูดธรรมารุนๆเพราะอะไรวันนี้แดดออกเมื่อวานไม่ได้พูดอย่างนี้นะเมื่อวานต้องพูดให้ตลกขบขันนะมีการเปิดไฟช่วยด้วยนะเปิดไฟ เข้ามาแล้วจะสลบหมดแต่วันนี้จิตใจของเราตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่จิตใจรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาชมไม่ได้เลยเห็นไหมชมไม่ได้หนีไปเที่ยวแล้วส่วนใหญ่นะรู้สึกไหมค่อยๆสังเกตใจของเราไปจมชอบหนีไปลำเบอร์ยี่อะรู้สึกไหมลืมกายลืมใจไปละงัวแต่คิดนะเอาเลยแข็งไปเลยรายนี้เก่ง รู้เล่นเล่นนะรู้สึกไหมหเริ่มเครียดแล้วจุ <c oughs> แปมรู้สึกไหมใ <c oughs> ครรู้สึกแล้นะคุณมนก็กระสับกระส่ายเต็มทีแล้วเขโดนไปรอบตัวแล้วเนี่ย <c oughs> ให้รู้ทันนะฟังไปแล้วก็สังเกตใจเราไปเรื่อยใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดบางคราวหลวงพ่อพูดให้ขำๆรู้สึกไหมใจมันขำขึ้นมาที่แรกใจสงบเต็มเป็นใจที่ขำ ใจที่ขำๆเนี่ยพอหลวงพ่อพูดธรรมะต่อสังเกตไหมเริ่มนิ่งๆขึ้นมาอีกแล้วใจขนาดนี้เริ่มนิ่งอีกรอบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมนี่ตอนนี้ต้องสอนแบบรวมกลุ่มนะเห็นชั้นๆแต่ก่อนสอนทีละคนก็ดูง่ายหน่อยอันนี้ต้องช่วยตัวเองฟังซีดีแล้วก็สังเกตใจตัวเองบ่อยๆไปเบอร์ยีิบหลืมตัวเองแล้วเบอร์ยี่สิบห้าจำเบอร์ไว้นะคั้แรกอะหลวงพ่อบอกแล้ว ย, ยิ้มหวานอยู่แค่แหละไม่รู้ว่าเบอร์อะไรบางคน แลบางคนก็เบอร์ไปยัดใต้เสืออย่างนั้นไม่ต้องมีเบอร์ก็ได้อย่างนั้นอ่ะเห็นไหมเบอร์ยี่สบสองอ่ะหลวงพ่ออ่านแล้วต้องแปลอยหูหันไปอ่านเองเบอร์เจ็ดรู้สึกไหมเมื่อกี้เผลอแล้วก็รีบทําเป็นสำรวมรู้สึกไหมเอเนี่ยรู้ลงไปนะหัดรู้สภาวะเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องเรียนอะไรเยอะบางครั้งหลวงพ่อพูดธรรมะกว้างขวางเยอะแยะไปหมดเลย อั น, นั้นสำหรับคนที่เข้าเรียนมาเยอะบางคนที่เข้าเรียนมาเยอะฟังธรรมะ น, นิดๆหน่อยๆ น, นะไม่สะใจฟังแล้วไม่เก็ตต้องฟังอะไรที่มันยากกว่าคนธรรมดานะเป็นคนที่เรียนมาไม่มากฟังแล้วกลุ้มใจให้รู้ว่ากลุ้มใจไปถึงนแะม้เราก็ฝึกของเราได้เราได้ไประโยชน์ของเราเหมือนกันเราะนั้นหัดรู้ใจเราไปนะเบอร์85ใจลอยไปเบอร์65ใจลอยนะแม่ชีเบอร์31มสถล่มลงไปแล้วแม่ชี ใจมันถล่มลงไปแล้วใจมันงงงก็รู้ว่างงนะใจมันเป็นไงก็รู้ลงไปรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเฮ้แต่วามาจาันสุรวัตรอยู่ไหนอ่ะโออยู่โน่นเนาะไปหลบอยู่สักไกลเลยบางวันหลวงพ่อเหนื่อยนะหลวงพ่อคิดถึงพวกเนี้ยเมื่อไหร่จะมาช่วยหลวงพ่อสอนบ้างวันก่อนเรียกครูบาาให้ช่วยสอนพระให้ไม่ยอมไม่ยอม อยากทำให้จบก่อนกลัวไม่จบกลัวไม่ได้กลัวมันทำไมนะกลัวรู้ว่ากลัวไปเลยรู้ ล, ลงปัจจุบันไปนะทีลกษณะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาให้เรารู้นะล้วนแต่ของชั่วคราวเห็นไหมอย่างความขำเมื่อกี้นี่หายไปละ ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปพอรู้สึกไปอย่างนี้อย่ามัวแต่คิดเอานะแม่ชีนะแ ม, แม่ชีเบอร์3าเอ็ดียแต่เอาแต่คิดแม่ชีเบอร์อะไรมีเลข7จ็ข้างหลังอะ่ะก็อย่าเอาแต่เพ่งเอาพอรู้สึกเอารู้สึกสบายๆอย่าน้อมใจให้ไปอยู่ในสภาวะอันแดนหนึ่งจิตใจธรรมดาธรรมดาของมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์ถึงชื่อว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง พวกเราชอบทิ้งจิตมนุษย์ที่สูงที่ดีเนี่ยไปสร้างจิตของพลมขึ้นมาเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราไปทําใจให้นิ่งไปสร้างจิตของพลมเราพระพุทธเจ้าไม่เคยยกย่องจิตของพลมเลยนะท่านบอกเกิดเป็นมนุษย์ยากนะเห็นไหมไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นพลมยากด้วยบอกเกิดเป็นมนุษย์จะยากนะและจิตของมนุษย์นี่ชื่อว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงเะฉนั้นใจของเราดีอยู่แล้วมันสูงยังไง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 เดี๋ยวกังวลเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่ใจมนุษย์นี่ดีวิเศษเห็นไหมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วเราทำํำวิปัสสนาเนี่ยนะเราจะเพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์คือทนอยู่ในภาวะใดอันหนึ่งไม่ได้ทั้งกายทั้งใจบังคับไม่ได้ใจของมนุษย์นี่หมอมากเลยที่จะเห็นไตรลักเษณ์ใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดเลยแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลา จิตใจของมนุษย์ดีวิเศษมากเลยเพราะแสดงทุกขังแสดงการทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดนหนึ่งสบายอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่สบายละใสุขอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่สุขละเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใจของมนุษย์สูงดีวิเศษมากเลยมันทำงานได้เองเนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดโดยที่เราบังคับไม่ได้ใจของลมบังคับได้นะ ใจของปลอมฝึกไปเรื่อยบังคับอยู่ได้เป็นกับกบให้นิ่งอยู่เป็นกับกับได้เพราะงั้นไม่ใช่ใจที่ดีที่วิเศษเป็นใจที่เห็นอนัตตายากที่สุดเลยอย่ารู้สึกว่ากูเก่งกูเก่ ง, ก, ก, งกูบังคับใจได้ให้นิ่งนานๆนนหลายๆปีนิ่งอยู่ยงั้นแหะเป็นใจมนุษย์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วไม่เที่ยงแสดงไม่เที่ยงตลอดแสดงความเป็นทุกข์ตลอดคือทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้มันถูกเสียดแทงใจของมนุษย์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มันเปลี่ยนแปลงได้เองโดยที่เราไม่ได้บังคับมันสั่งมันไม่ได้อย่างเราสั่งอย่ามีความทุกข์นะมันไม่เชื่อมมันดีนะนี่ดีตรงมันไม่เชื่อให้เราดูจงมีแต่ความสุขไม่มีหรอกมันไม่เชื่อห้ามชั่วนะจงดีนะไม่เชื่อสักอย่างหนึ่งความโกรธอย่ามานะฉันจะมาโรบอย่ามานะฉันก็จะมาอย่าเผลอนะฉันจะหลงฉันจะเผลอ โลรธแล้วหายไวๆนะฉันจะไม่หายอ่ะฉันจะแกล้งแก่อยู่อย่างเงี้ยเห็นไ้มใจมนุษย์มันดีอย่างนี้นะดีตรงมันบังคับไม่ได้ให้เราดูเนี่ยบางคนจงเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้แล้วมันดียังไงมันดีตรงที่เราจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้ได้เราจะเห็นเลยมันไม่ใช่ของวิเศษอีกต่อไปแล้วมันเป็นของที่เป็นภาระเป็นของที่มีความทุกข์มากเป็นของที่ไม่คงที่เลยนี่ความวิเศษของจิตใจมนุษย์มันอยู่ตรงนี้เอง คือตรงที่มันแสดงใ่รักอ่ามีสัญญาณเตือนจากคุณมนบอกว่าเลยเวลาละงนะั้นเชิญโยมไปทานข้าวไป